ที่เธอไม่ฉชนอยู่ดีใช่ไหมที่เราสองคอยู่ด้วกันในตอนนี้มันดูดีใช่ไหม oh. ความสุข oh. ที่มีเธอได้รับไปหรือเปล่า oh. ห้ามฉัน ฉนันไม่เคยต้องการอะไรย่อนมิจเา อ, อยู่ย้อนเดียวสบายแต่ในตอนนี้ฉันขาเธอไม่ได้คงเป็นเพราเพราะฉันต้องการมีเธอเท่านั้นมีเียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้น ฉันยังชอบที่เธอเป็นเธอรอยยิ้ของเธอที่เคยให้กันยังชัดเจออยู่ในใจเพือไหมสิ่งที่ทตัวนี้นีก็ทำอะไรผิดไปได้บ่เดาไปได้หไหมว่าฉันคิดดีแล้วก็จะคิดดีแล้ว ไม่ใจ อ, อยู่ย้อนเดียวสบายแต่ในตอนนี้ฉันขาดเธอไม่ได้คงเป็นเพราะ เธเนเดียวเท่น